ถึงจะเล่าเรียนจบหลักถ้าไม่รู้จักหน้าที่ต่ออริยสัจก็ปฏิบัติไม่ถูกและไม่มีทางบรรลุธรรมเมื่อพูดถึงอริยสัจสี่ก็เลยจะต้องพูดถึงหน้าที่ต่ออริยสัจด้วยเมื่อกี้นี้ได้พูดไปแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าพระองค์ยังไม่ทรงรู้เข้าใจอริยสัจสี่โดยมีญานทธศนครบทั้งสามอย่างในอริยสัจสีแต่ละข้อ ซึ่งเมื่อรวมแล้วสคูณสเป็นส2องก็จะไม่ปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้แล้วดังนั้นเราจะรู้อริยสัจอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้หน้าที่ต่ออริยสัจและปฏิบัติหน้าที่ต่ออริยสัจให้สำเร็จด้วยการเรียนอริยสัจโดยไม่รู้หน้าที่ต่ออริยสัจอาจจะทำให้เข้าใจสับสนพระพุทธเจ้าตรสกิจ หรือหน้าที่ต่ออริยศาสตร์สีไว้ครบถ้วนแล้วแต่ละอย่างแต่ละอย่างหนึ่งหน้าที่ต่อทุกคือปริญญาแปลว่ากำหนดรู้รู้เท่าทันจับตัวมันให้ได้ 2. หน้าที่ต่อสมุ ท, ทยัยคือปหานะแปลว่าละหรือกำจัด 3. หน้าที่ต่อนิโรธเรียกว่าสัจจิกิริยาแปลว่าทำให้แจ้งคือบรรลุถึงนั่นเองสหน้าที่ต่อมักเรียกว่าภาวนาแปลว่าบำเพ็ญก็คือปฏิบัติลงมือทำทำให้เกิดทำให้มีขึ้น หทุกเรามีหน้าที่ต่อมันอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกขังปริญญายยังทุกนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องรู้เท่าทันภาษาพระแปลกันว่ากําหนดรู้ทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ปริญญายยังนี่เป็นคุณศัพท์ถ้าใช้เป็นคํานามก็เป็นปริญญาที่เราเอามาใช้เป็นชื่อของการสําเร็จการศึกษา ทุกเรามีหน้าที่รู้จักมันรู้ทันมันเรียกว่าปริญญาทุกนั้นเป็นตัวปัญหาเป็นปรากฏการท่านเปรียบเหมือนกับโรคในทางร่างกายของเราเนี่ยเมื่อเรามีโรคเราก็จะแก้ไขบำบัดหรือกําจัดโรคแต่พอเอาเข้าจริงเรากําจัดโรคไม่ได้แต่เราต้องเรียนรู้จักโรคเหมือนหมอจะแก้ไขโรค ต้องกาหนดรู้ให้ได้ว่าเป็นโรคอะไรเป็นที่ไหนตรงไหนเพราะฉะนั้นนอกจากต้องรู้โรคแล้วต้องรู้ร่างกายซึ่งเป็นที่ตั้งของโรคด้วยคำนองเดียวกันในข้อทุกนี้จึงไม่ใช่เรียนเฉพาะปัญหาแต่เรียนชีวิตซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาด้วยหมายความว่าทุกคือปัญหาเกิดที่ไหนมันเกิดที่ชีวิตหรือเกิดในโลก เราก็ต้องรู้จักโลกรู้จักชีวิตเหมือนกับแพทย์จะแก้ไขโรคเวลาเรียนเริ่มที่อะไรก็ต้องไปเรียนตั้งแต่กายวิภาคต้องไปเรียนสรีระวิทยาแทนที่จะเริ่มเรียนที่โรค ก, ก็ไปเรียนที่ร่างกายซึ่งเป็นที่ตั้งของโรคเช่นเดียวกับเราจะแก้ไขทุกเราต้องเรียนรู้เข้าใจชีวิตตลอดถึงโลกที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ซึ่งในที่สุดปัญหาเกิดที่ชีวิตถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตเราก็แก้โรคของมันคือปัญหาหรือทุกข์ไม่ได้เรื่องนี้ก็ถนองเดียวกันดังนั้นในข้อทุกนี้ความหมายจึงคลุมทั้งตัวปัญหาและสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาโดยเฉพาะชีวิตมนุษย์ที่เราต้องเข้าใจคือปริญญามัน ก็คือความพันประบีบคั้นกระทบกระแทกซึ่งเกิดเป็นปัญหาแก้ชีวิตเหมือนกับโรคก็คือความแปรปวนวิปริตผิดปกติของร่างกายเช่นอวัยวะบางส่วนถูกบีบคั้นบ่อนเบียนกระทบกระแทกเสียแทงตลอดจนทำงานไม่ปกติเมื่อเรียนรู้จักร่างกายและระบบการทำงานของมันแล้วก็กาหนดรู้โรคที่จะบาบัดแก้ไขได้ นี่ก็เช่นเดียวกันการจะกำหนดรู้ทุกก็ต้องรู้จักชีวิตและดูที่ชีวิตคือนามรูปและขันหานี่แหละ 2. พารู้โรคว่าเป็นโรคอะไรจับได้แล้วก็ต้องสืบสาวหาสาเหตุของโรคสมุทัยได้แก่ตัวเชื้อโรคที่เราจะต้องกำจัด หรือความบกพร่องทำงานผิดปกติของร่างกายที่จะต้องปรับแก้เวลาแก้ไขบัมบัดโรคเนี่ยเราไม่ได้แก้ไม่ได้กำจัดตัวโรคนะเช่นเราไม่ได้ขจัดความปวดหัวเราต้องขจัดสาเหตุของความปวดหัวถ้าไม่อย่างนั้นเราจะแก้ได้แต่อาการยาจำนวนมากได้แค่ระ ง, งับอาการใช่ไหมเช่นระ ง, งับอาการปวดหัว ตราบใดที่เรายังไม่ได้กําจัดเหตุของการปวดหัวเราก็แก้โรคปวดหัวไม่สําเร็จฉะนั้นในข้อที่หนึ่งนี้เราจึงเรียนรู้จักทุกเหมือนกับแพทย์ที่วินิจฉัยโรคให้ได้ต่อจากนั้นก็สืบสาวหาตัวสาเหตุของโรคซึ่งอาจจะเป็นเชื้อโรคหรือความบุกร่องของอวัยวะไม่ใช่เชื้อโรคอย่างเดียวบางทีการเป็นโรคนั้นเกิดจากการกระทบกระทั่งกับสิ่งแวดล้อม ความบวกพร่องของอวัยวะหรือการทำงานวิปิริตหรือความแปรปรวนต่างๆซึ่งจะต้องจับให้ได้เพราะเมื่อมีโรคก็ต้องมีสมุทฐานหรือสมุทไทยสมุทไทยนี่แหละเป็นตัวที่ต้องแก้ไขหรือกำจัดหน้าที่ต่อสมุทไทยเรียกว่าปหาณนะ สต่อไปเมื่อจะกาจัดโรคเราต้องมีเป้าหมายว่าเราจะเอาอะไรและจะทำได้แค่ไหนจุดหมายอะไรที่เราต้องการกำหนดให้ได้อันนี้เรียกว่านิโรธรู้ว่าเราต้องการอะไรและรู้ความเป็นไปได้ในการแก้ไขคนที่ไม่มีความชัดเจนว่าเราต้องการอะไร มีความเป็นไปได้อย่างไรก็จะทำอะไรไม่สาเร็จแพทย์ก็ต้องวางเป้าหมายในการรักษาเหมือนกันว่าเป็นไปได้แค่ไหนเราจะเอาอะไรเป็นจุดหมายในการรักษานี้แล้วก็ทำไปให้ได้ให้ใหบรรลุจุดหมายนั้นเรียกว่าสัจิกิริยาแปลว่าทำให้ประจักษ์แจ้งทำให้เป็นจริงขึ้นมาคือทำให้สาเร็จ หรือบรรลุถึง 4. พอวางเป้าหมายเสร็จก็มาถึงขั้นลงมือปฏิบัติจะผ่าตัดให้ยาและให้คนไข้ปฏิบัติตัวบริหารร่างกายอย่างไรวิธีรักษาทั้งหมดมันอยู่ในข้อสคือมรรคเป็นขั้นที่ต้องลงมือทาเรียกว่าภาวนา จึงเป็นเรื่องใหญ่มีรายละเอียดมากมายเพราะฉะนั้นอริยศสัสตร์ส่จึงเป็นวิธีการวิทยาศาสตร์จะใช้ในการสอนก็ได้ในการรักษาโรคก็ได้แพทย์ก็ใช้วิธีการนี้